องค์สำคัญของการประกอบสัมมาอาชีวะก็คือศิลปะวิทยาหรือสิบ ป, ปักที่แปลว่าวิชาชีพฝีมือความจัดเจนงานดังนั้นท่านจึงเตือนให้ขนขวายศึกษาศิลปะวิทยาและให้บิดามารดาถือเป็นหน้าที่ที่จะให้บตรศึกษาเล่าเรียนแต่ความรู้วิชาชีพหรือความจานานงานอย่างเดียวก็แค่ไป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 ที่เป็นตัวแท้เริ่มแรกของการศึกษาพร้อมนั้นก็ให้ฝึกอบรมระเบียบวินัยเพื่อพร้อมที่จะนำสิบ ป, ปะไปใช้ในทางที่สุจริตและมีความประพฤติทั่วไปที่ดีงามเกื้อกูลแก่ความอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือแก่สังคมกับทั้งฝึกฝนให้รู้จักพูดรู้จักเจรจาให้เป็นผลดีเป็นการขยายช่องทางดาเนินชีวิตและบาเพ็ญประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น หลักการขั้นศีลที่กล่าวนี้ดำเนินตามพุทธพจน์ในมงคลสูตรกุตการนิกายสุตตนิบาตว่าพาหุสัจจะความเป็นผู้ได้สะดับมากหรือเล่าเรียงกว้างขวางลึกซึ้งหนึ่งสิ ป, ปะวิชาชีพหรือความจัดเจียนงานหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหรือฝึกอบรมเป็นอย่างดีแล้วหนึ่งวาจาที่กล่าวได้ดีหนึ่ง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 ไม่ว่าตำ่ำว่าสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำมาซึ่งประโยชน์มีข้อที่ควรย้ำแทรกเข้ามาเกี่ยวกับอุดมมงคลระดับนี้ว่าผ้าหุสัจจะความช่ำชองเชิงวิชาการควรมาพร้อมด้วยสิบ ป, ปะความชำนาญในเชิงปฏิบัติคือดีทั้งวิชาและฝีมือ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 และการส่งเคราะห์บุตรภันรยาครั้นภาระด้านส่วนตัวครบครันแล้วท่านจะให้บุคคลผู้เป็นอริยสาวกนั้นคำนึงถึงความรับผิดชอบที่ตนจะพึงเกื้อกูลแก่คนอื่นขยายกว้างออกไปตลอดถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดให้ชีวิตของตนก้าวหน้าไปในความดีงามและได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในการประดุงธรรมของมนุษยชาติท่านจึงเสริมมงคลอีกสามอย่างเข้ามาในช่องว่างหลัง คือยาติสังหะการสงเคราะห์ญาติทานการให้ปันเกื้อกูลกว้างออกไปและธรรมจริยาการประพฤติธรรมเมื่อประพฤตินตนได้เพียงนี้ก็นับว่าเพียงพอสำหรับจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ครองชีวิตที่ดีงามในโลก